ข้อความในคำพีคุธการนิกายพุทธวงศ์ต่อจากครั้งที่แล้วได้กล่าวถึงเหตุการณ์ที่พระโพธิสัตว์ประสูตรจากพระคันพระพุทธมารดาในหน้า698คือพระโพธิสัตว์นั้นตอนที่ประสูตรพระองค์นั้นไม่แปดเปื้อนไปด้วยมลทินแห่งคันเลยแล้วก็มีท่อน้ำท่ อ, อท่อน้าเย็นน้ำร้อนหรือท่อน้ำอุ่นเนี่ยนะ รถมาจากอากาศก็มาเรียกว่ามาส่งให้กับพระโพธิสัตว์เท้ามหาพรหมก็รับแล้วก็เท้ามหาราชก็รับแล้วก็ส่งต่อไปถึงหมู่มนุษย์พอพ้นจากหมู่มนุษย์พระองค์ก็ประทับยืนประทับยืนแล้วก็ดูหันหันหน้าไปทางทิศบูรพาคือทิศ ต, ตะวันออกก่อนมองไปในทิศนั้นเนี่ยนะก็มองเห็นเป็นเนินเดียวกันหมดเทวดาเหล่านั้น เขาบอกว่าผู้ที่เสมอเหมือนกับพระองค์ไม่มีผู้ที่ยิ่งกว่าจะมีมาจากที่ไหนก็คือบอกว่าในทิศตะวันออกทั้งหมดที่พระองค์มองดูเนี่ยนะไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนพระองค์เลยผู้ที่มีคณุณธรรมยิ่งกว่าผู้ที่ยิ่งกว่าพระองค์ไม่มีพระองค์ก็ลืมตาดูไปในทิศอณนะทิศใต้อีกนะดูเอนะ่เอกล่าวว่า dong, ค่อยๆดูเลียวดูไปรอบทิศทั้งสิทิศทั้งทิศเบื้องบนเบนืบ้องล่างทั้งหมด บอกว่าในทิศทั้งสิบทิศไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนไม่จำต้องกล่าวถึงผู้ที่ยิ่งกว่ายิ่งกว่าในการประสูตรยิ่งกว่าในการยังลงสู่คันยิ่งกว่าในการอยูงงยใออย่ในคันยิ่งกว่าในการประสูตรและยิ่งกว่าที่จะได้ตรัสรู้ต่อไปในอนาคตเพราะฉะนั้นไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนกับพระองค์เลยในโลกธาตุทั้งสิ้น พระองค์ก็พอเหลียวดูทิศทั้งสิบทิศพระองค์ก็เสด็จพุทธาําเนินไปเจ็ดเก้าเก้าที่เจ็ดพระองค์ก็เปล่งเคราะหสพิวาจาเป็นคําพูดที่องค์อาจว่าอโคโหมัสมิโลกสะเราเป็นผู้เลิศที่สุดในโลกเราเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลกเราเป็นผู้เจริญที่สุดในโลกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบัดนี้พบใหม่ไม่มีอีกต่อไป มันก็การอย่างลงสู่ขันครั้งนี้การปฏิสนธิครั้งนี้การเชื่อมในพบสู่พบครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งสุดท้ายนะาะนั้นถ้าละทิ้งสังขารแล้วก็ไม่ถือเอาใหม่อีกแล้วเรียกว่าถือเอาภาระชิ้นสุดท้ายแล้วนีนะก็ตามความเห็นของพระเรียเจ้าทั้งหลายท่านถือว่าขันห้าเป็นภาระเนี่ยนะเป็นมหาภาระเป็นภาระที่หนักแล้วก็ภาระเหล่านี้หนักด้วย บุคคลก็ยึดถือภาระที่หนักเหล่านี้แหละว่าเป็นเป็นสิ่งที่เป็นที่ตั้งแห่งความสุขยึดถือสิ่งที่เป็นภาระเหล่านี้นี่แหละสําคัญว่าสิ่งที่เป็นภาระเหล่า น, น, านี้เป็นที่ตั้งแห่งความยินดีเป็นที่ตั้งแห่งความน่าเพลิดเพลินซึ่งเข้าใจผิดคิดวิปลาสคลาดเคลื่อนไปเองในมหาภาระนั้นพระเรียเจ้าทั้งหลายท่านไม่ได้เห็นว่าขันห้านั้นเป็นที่ตั้งแห่งความน่ายินดีอะไร นอกจากว่าเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์นั่นนะกล่าวถึงพระโพธิสัตว์ที่ประสูดออกมาแล้วกล่าวอาสพิวาจาหรือพูดได้ น, นะนะคลอดเสร็จแล้วพูดได้มีอยู่สมชาติด้วยกันสมอัตภาพสามอัตภาพหรือสามชาติมีชาติไหนบ้างบอกว่าชาติที่เป็นมโหสถชาติที่หนึ่งนะเป็นมโหสถมีอยู่ครั้งหนึ่งพระโพธิสัตว์นั้นประสูตดจาก คันของมารดาะนะมารดาขณะที่ประสูตรมานั้นเนี่ยนะปกติแล้วเศรษฐีผู้เป็นพ่อนี้เป็นโรคปรวดศีรษะมาหลายปีด้วยกันรักษาอย่างไงก็รักษาไม่หายทีนี้พระเอลก็เอายาเนี่ยไปวางไว้ในมือของพระโพธิสัตว์แล้วก็ถือเอาไว้แม่เห็นก็ถามหนูถืออะไรมาก็บอกว่าถือยามาะนะบอกยาอะไรก็ยารักษาได้ทุกโรคก็เอายาตัวนี้ไปฝนฝนฝนฝน ฝนให้เศรษฐีบิดาแล้วก็โรคปวดศีรษะมาหลายปีหายด้วยกันก็เลยชื่อว่ามโหสถเนี่ยนะมหาโอสถนั่นเองโอสถก็แปลว่ายามหาตัวนั้นก็ใหญ่มากก็ถือยาเกี่ยวกัชนิดพิเศษชนิดยิ่งใหญ่มาด้วยก็เลยชื่อว่ามโหสถส่วนอีกชาติหนึ่งพระโพธิสัตว์นั้นเป็นพระเวสสันดรเป็นพระเวสสันดร น, นั้นประสูตรหรือคลอดที่ระหว่างถนนแห่งพ่อค้า หลังจากที่คลอดมาเสร็จแล้วก็แบมือถามแม่ว่าแม่พอจะมีทรัพย์อะไรบ้างไหมลูกจะให้ทานงีน้ยแม่ก็บอกว่าดีแล้วลูกลูกเกิดมาในตระกูลที่มีทรัพย์มากท่านก็เอาไปเลยให้ไปพันหนึ่งให้ลูกให้ทานนะคลอดมาก็ขอสตังแม่ขอทานให้ทานเลยอนะไรเง้ยส่วนชาติสุดท้ายอัตภาพนี้ใน ทวนอีกครั้งหนึ่งนะเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยตามอัตถกถาบอกว่าในอัตภาพที่เป็นมโหสถเนี่ยนะออกจากพระคันพระมารดาเท่านั้นเท้าสากตะก็เสด็จมาวางแก่นจันเอาไว้ในพระหัตถ์แล้วก็เสด็จไปมโหสถนั้นเอาแก่นจันนั้นเอาไว้ที่หลังแล้วก็คลอดออกมาขณะนั้นมารดาถามมโหสถว่าลูกเอ๋ยอเจ้าถืออะไรมาด้วยนะมโหสถตอบว่าโอสถจะแม่ดังนี้เพราะเหตุที่ถือโอสถมาด้วยบิดามารดาก็เลย เชื่อว่าโอสถกุมารตอนหลังท่านเก่งมากก็เลยเรียกมหาโอสถก็คือมโหสถนั่นเองนะมหาโอสถก็คือมโหสถส่วนอัตภาพเป็นพระเวสสันดรพอคลอดจากพระคันพระมารดาก็เหยียบพระหัตถ์ขวาบอกว่าแม่จ๋าในเรือนนี่มีทรัพย์อะไรอะไรอยู่หรือลูกจักให้ทานนะขณะนั้นพระมารดาก็เอาพระหัตถ์ของพระโอรสนะไว้ที่ฝาพระหัตถ์ของพระองค์แล้วก็วางถุงทรัพย์นับพันเอาไว้ตรัสว่าลูกเอ้ย เจ้าเกิดมาในตระกูลที่มีทรัพย์แล้วนะแต่ในอัตภาพนี้พระองค์เปล่งสีหานาฏบรรลือสีหานาฏอย่างใหญ่ครั้งนั้นพระโพธิสัตว์นั้นพอออกจากพระคันพระมานดาก็เปล่งวาจาในสมอัตภาพด้วยประการชนิดันวาจาครั้งสุดท้ายนี่เป็นวาจาที่องอาจมากขณะที่พระองค์สมพบหรือประสูตินั้นมีปุพพานิมิต32ประการ แต่ว่าในสมัยใดเนี่ยนะพระโพธิสัตว์ของเราสมภพบณลลุมพินีในสมัยนั้นขณะที่ประสูตรหรือคลอดออกมานั้นนะพระเทวีมารดาพระราหุนก็สมภพด้วยหรือประสูติด้วยคลอดด้วยนะพระอานนท์พระชนกาลุทายีอามาพยา ม, มากันทกะต้นมหาโพเพลกและหม่อขุมทรัพย์หรือว่าขุมทรัพย์ทั้งทั้งสี่ก็เกิดขึ้น ขุมทรัพย์ทั้ง4นั้นไม่ใช่เป็นแค่มอ่อธรรมดานะเป็นเหมือนเทือกภูเขาทองว่างั้นเหมือนเทือกภูเขาทองที่ผดขึ้นมาใหญ่มากแต่และแต่ละเทือกนั้นใหญ่มากก็ว่ามีสมบัติมากพอที่จะเป็นจักรพรรดิได้ว่างั้นบรรดาขุมทรัพย์ทั้ง4ี่นั้นขุมทรัพย์หนึ่งขนาดห ok ok นึ่งขาวุธขาวุธก็ประมาณสัก4กิโลเนี่ยนะอีกขุมทรัพย์หนึ่งก็มีขนาดประมาณครึ่งโยธก็ประมาณ8กิโลขุมทรัพย์หนึ่งก็สามขาวุธก็คือ ประมาณ12กิโลอีกคุ้มทรัพย์หนึ่งก็ขนาดโยดหนึ่งโยดหนึ่งก็คือ16กิโลเมตรนี่นะก็มีคุมทรัพย์อยู่หลายประเภทมันเรียกว่าสา ม, มารถที่จะสร้างปราสาททองคำอยู่สบายๆบายบานั้นแะคือท่านมีทรัพย์มากขนาดนั้นทั้ง7อย่างนี้เขาเรียกว่าสหาชาติเกิดพร้อมกันมีในขณะเดียวกันกับการประสมของพระโพธิสัตว์ ชาวนาครทั้งสองคือชาวนาครศักดิ์กบิลพัทกับชาวนาครเทวทหะพาพระมหาบุรุษไปยังกรุงกบิลพัทในวันนั้นนั่นแหลหมู่เทพในชั้นดาวเดิมก็ร่าเริงยินดีว่าโอรสของพระเจ้าสุดโทธนะมหาราชในกรุงกบิลพั์นี้จักประทับนั่งณโคนโพพฤกจะได้เป็นพระพุทธเจ้าะนะเทวดาเหล่านั้นก็ดีใจพากันยกแผ่นผ้าเป็นต้นขึ้นโบกสะพัดเล่นปรีทา ก็เหมือนกับว่าชัยชนะของเหมือนกับพวกนักกีฬาเนี่ยนะพอรู้ว่าตัวเองชนะเป็นยังไงก็ยกพงโบกไปโบกมามีความสุขเพลิดเพลินมากฉันใดเทวดาเหล่านั้นก็ฉันนั้นดีใจมากที่พระโพธิสัตว์ได้ประสูตดมาแล้วและท่านจะได้เป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนพวกเราทั้งหลายก็จะได้ฟังธรรมเป็นต้นดีใจมากสมัยนั้นดาบทชื่อว่ากาลเทวระหรือว่ากาลเทวินเนี่ยนะ ผู้ได้สมาบัติ8ปกติแล้วเป็นพระที่ประจําตระกูลของพระเจ้าสุโทธทนะการะเทวินดาบทนั้นเดิมทีเลยเนี่ยท่านเป็นอาจารย์ของพระเจ้าสุโทธทนะนะตอนหลังพระเจ้าสุโทธทนะออกบวชท่านก็ครอ ง, อ ค, รองครองราชสมบัติท่านก็ออกบวชออกบวช ก, ก็ได้อภิญญา5สมาบัติ8แล้วก็ถ้าฉันท่านฉันอาหารเสร็จแล้วก็จะไปพักผ่อนณนะสวรรษวรร น, นดาวดึงเรียกว่าพักรางวัลท่านเนี่ยนะ แม้ที่พักแต่ละแห่งไม่ธรรมดาโน้นนะพักดาวประดึงเงินขณะที่นั่งพักกลางวันอยู่นั่นแหละเห็นเทวดาเหล่านั้นดีใจระเริงเล่นจึงถามว่าเพราะเหตุใดพวกท่านจึงพากันดีใจเบิกบานใจระเลงเล่นเพราะฉะนั้นโปรดบอกเหตุนั้นแก่เราเถิดนะอยากรู้จริงๆว่าทําไมวันนี้มันเกิดเหตุการณ์อะไรปกผิดปกติหรือเปล่าดูสิเทวดาทุกคนเขาดีใจกันหมดเขามีความสุขกันหมดยกธงยกอะไรประดับตกแต่งกันไปหมดเลย มันมีงานเทศกาลอะไรประมาณเทวดาทั้งหลายก็บอกว่าท่านผู้เนรทุกข์โอรสของพระเจ้าสุดโททนะนี้เกิดแล้วโอรสของพระองค์นั้นจับประทับนั่งที่โพธิมันทสถานเป็นพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์ก็จะประกาศพระธรรมจักรด้วยเหตุนี้เราจึงยินดีต่อพระองค์ว่าพวกเราจะได้เห็นพระพุทธลีลาอันไม่มีที่สุด พุทธลีลาก็คือการเยื้ยงกรายของพระพุทธเจ้าเรียกว่าแบบไม่มีที่สิ้นสุดทั้งภวรกายทั้งพระธรรมเทศนาเพราะผลเราก็จะได้เห็นอะไรว่าอนุตปริยะเลยลอย่างด้วยกันดาบทกาและเทวินเนี่ยนะได้ฟังคําของเทวดาเหล่านั้นแล้วก็ลงจากเทวโลกอันสว่างสวัยด้วยรัตนะนะเป็นเทวโลกที่น่าดูอย่างยิ่งเข้าไปเฝ้าเข้าไปยังราชนิเวศ ข, ของอนรุษนรุษบดี นรบดีก็คือเป็นใหญ่ในหมู่นรชนเนี่ยนะก็คือพระเจ้าสุดโททนะนั่นเองไปถึงก็นั่งเนื้อบวรอาธที่เขาจัดตั้งเอาไว้ก็คืออย่าลืมว่าเป็นผู้ที่พระเจ้าสุดโททนะเคารพกราบไหว้มากแล้วก็จัดให้อย่างดีกาละเทวินดาบทก็ทูลปฏิสันฐานกับพระราชาว่าขอถวายพระพร ได้ข่าวว่าพระโอรสของมหาบาพิษสมภพแล้วอาตมาภาพอยากจะเห็นพระราชโอรสองค์นั้นน่ะพระราชาก็โปรดให้นำพระโอรสที่ประดับตกแต่งมาแล้วพระองค์นั้นเข้าไปอย่างใกล้ชิดเพื่อจะไหว้เทวระดาบทหรือว่ากาละเทวินดาบทพระบาทของพระโพธิสัตว์เนี่ยนะกลับไปประดิษฐานเหนือชดาของดาบทเหมือนสายฟ้าแลบกันนะ กำลังอยู่ฝ่าย้าแฝดที่มีกําลังอยู่เนื้อยอดเมฆสีเขียวครามแท้จริงแล้วบุคคลอื่นเชื่อว่าอันพระโพธิสัตว์พึงไหว้ในอัตภาพนั้นไม่มีชาตินั้นไหว้ใครไม่ได้เลยไหว้ผู้ใดศีรษะของผู้นั้นจะแตกเจเสี่ยงเพราะฉะนั้นก่อนที่ดาบดาบจะศีรษะแตกเจ็เสี่ยง พ, พระบาทของท่านก็ไปประดิษฐานไม้บนยอดชดาแล้วไปยืนเหยียบหัวหนั่นแหละว่า ง, งั้น ดาบทนั้นก็ลุกจากอาสนะประคองอัญชลีต่อพระโพธิสัตว์พระราชาเห็นความอัศจรรย์อันนั้นก็ไหว้พระอุรสของพระองค์ปกติแล้วพระเจ้าสุดโทธนะนี่มานะมากไม่ใช่จะไหว้ใครได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นก็เห็นลูกชายเนี่ยนะเหนืออาจารย์อาจารย์ยังไหว้ก็เลยไหว้าตามอาจารย์เหมือนกันดาบทนั้นเห็นลักษณะสมบัติของพระโพธิสัตว์ก็ระลึกต่อไปว่าผู้นี้จะเป็นพระพุทธเจ้าหรือไม่หนอหรือจักไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้า เขามีอนาคตตังสยานดาบทระดับกาลเทวินนั้นจะรู้อดีตได้40กับรู้อนาคตได้อีก40่สิบกับเรียกว่ารู้อดีตทั้งอนาคตเนี่ยรวมกันแล้วแปกับพิจารณาทบทวนก็รู้ด้วยอนาคตตังสยานว่าท่านผู้นี้จะได้เป็นพระพุทธเจ้าอย่างไม่ต้องสงสัยไม่ต้องสงสัยไม่ต้องระแวงแคลงใจอะไรหรอกเขาจะเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็เย้มว่าท่านผู้นี้อัจฉริยะบุรุษเป็นบุรุษอัศจรรย์ เป็นบุรุษที่ไม่เคยมีแล้วมามีขึ้นเสร็จแล้วท่านก็พิจารณาทบทวนต่อไปว่าเราจะได้เห็นท่านผู้นี้เป็นพระพุทธเจ้าหรือไม่ได้เห็นหน อ, อมีโอกาสจะได้เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อฟังธรรมเป็นต้นไหมก็เห็นว่าเราเนี่ยไม่ได้เห็นเราจะทํากาละคือตายเสียในระหว่างนี่แลแล้วก็จะไปบังเกิดในอรูปภพในเนวสัญญาณาสัญญาภพ ที่พระพุทธเจ้าร้อยองค์พันองค์ก็ไม่อาจจะไปโปรดให้ตรัสรู้ได้ไม่มีผู้ใดไปจุดประกายได้คนฉลาดเนี่ยถ้าตาบอดหูหนวกมันทำอะไรกันได้สมมตินะอรูปประพบมันยิ่งกว่าตาบอดมันเหมือนกับอะไรถ้าอยู่ในโลกก็เหมือนคนตาบอดหูหนวกถึงจะเก่งขนาดไหนคำนวณได้ขนาดไหนแต่ไม่รู้จะสื่อสารกันได้ยังไงอ่ะตาบอดหูหนวกเออถ้างั้นใช้ระบบสัมผัสอันนี้ก็ไม่มีมืออีก อนะพันตาก็เห็นไม่ได้หูก็ฟังไม่ได้ใช้ระบบสัมผัสสรุปว่าสื่อสารกันไม่ได้ทุกปัจจัยประการตั้งปวงพระพุทธเจ้าเนี่ยเวลาจะส่งครอผู้อื่นก็ด้วยการเทศเป็นต้นแสดงธรรมให้เขาฟังเมื่อเขาหูหนวกสัอย่างเดียวก็โอกาสที่จะฟังธรรมก็ไม่มีอีกแล้วนียเพราะฉะนั้นก็เลยพอรู้ว่าตัวเองไม่มีโอกาสได้ตรัสรู้ธรรมในพระาศาสนาของพระพุทธเจ้าร้องให้เลยร้องให้ว่าเราจักไม่ได้เห็นอัจฉริยะบุรุษเช่นนี้ ผู้เป็นพระพุทธเจ้าเรานี่เสื่อมใหญ่แล้วเนาะเสื่อมจากอะไรก็เสื่อมจากโสดาปฏิมักเสื่อมจากสกท า, าคามีมักเสื่อมจากอนาคามิมักเสื่อมจากอรหัตตมักเสื่อมจากมักผลอ่ะเอาถามว่าแม้ถึงขนาดระดับเนวสัญญานาะสัญญายตนะแม้น่าจะดีกว่าโสดาปฏิผลไม่ใช่หรือบอกไม่โสดาปฏิผลเนี่ยประเสริฐยิ่งกว่าทิปไตยในแผ่นดินแผ่นดินทั้งหมดเนี่ยนะ ถ้าเทียบประสดาปฏิผลโสดาปฏิพล์มีค่ามากกว่าหาประมาณไม่ได้ถ้าเทียบกับสวรรค์ทั้ง26ชั้นเนี่ยนะเรียกเทียบว่าสวรรค์ทั้งหมดเลยนะตั้งแา่จารุมหาราชไล่ไปทุกอย่างทุกประการโสดาปฏิผลประเสริฐกว่าสวรรค์เหล่านั้นโสดาปฏิผลประเสริฐกว่าเนวสัญญานาสัญญายตนะพันก็บอกว่าแบ่งโสดาปฏิปฏิผลเนี่ยนะหาร16แล้วเอาหนึ่งใน16มาหาร16 เศษเสี้ยวหนึ่งในนั้นก็ยังยิ่งใหญ่กว่าเนวสัญญานาสัญญาญตนะเนวสัญญานาสัญญาญตนะเป็นมหคตะใหญ่ก็จริงแต่โสดาปฏิมักโสดาปฏิผลอัปประมาณนะมีคุณค่าหาประมาณไม่ได้เป็นคุณธรรมที่หาประมาณไม่ได้เนวสัญญานาสัญญาญตนะเคลื่อนจากเนวสัญญานาสัญญาญตนะมาเกิดใน มนุษย์หรือเกิดในสวรรค์เสร็จแล้วก็เลยไปอบายได้แต่โสดาปฏิมร์เนี่ยมีแต่เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปเนี่ยนะเป็นผู้แน่นอนที่จะได้เป็นธาตุหันต่อไปในอนาคตเนี่ยนะเพราะว่าพระโสดาบันท่านเห็นอริยสัจมันการเห็นอริยสัจเป็นพระโสดาบันนั้นจึงยิ่งใหญ่ก็บอกว่าถ้าพูดถึงการให้ทานเนี่ยนะให้ทานกับพวกได้ฌานระดับเนวสัญญาณาสัญญายตนะ โดยปาติบุคคลิกทานเนี่ยให้แก่ท่านเหล่านั้นร้อยท่านให้พระโสดาบันคนเดียวได้กระวัติได้บุญหรือว่าได้รับผลอ น, นิสง์มากวานนมากว่านะมากกว่าเพราะอะไรเพราะเป็นผู้มีอริยสัจอันเห็นแล้วดังนั้นการเห็นอริยสัจนั้นยิ่งใหญ่มากผู้ที่ได้เนวะสัญญานาสัญญายุตนะก็เหมือนกับว่าเป็นผู้ที่มีโอกาสได้พักผ่อนสบายๆแต่ไม่ได้แปลว่ากิเลสไม่เล่นงานนะ ก็คือพักผ่อนไม่ต้องเหมือนกับว่าไม่ต้องเห็นไม่ต้องได้ยินไม่ต้องจปวดปวดเมื่อยไม่ต้องอดอยากหิวโ้ยไม่ต้องอะไรสักอย่างเป็นผู้ที่มีความสุขสบายเนี่ยนะสุขที่สงบประณีตเรียกว่าสาันตาวิหารธรรมอ่าเข้าปเป็นอเนชชาวิหารธรรมเป็นธรรมที่อยู่เป็นสุขเป็นธรรมที่อยู่สบายธรรมที่อยู่เป็นสุขธรรมที่อยู่สบายอันนี้เนี่ยก็ระยะเวลาอ่พันกับ แต่ 84,000 พันกับเหล่านี้ถ้าเทียบกับสังสารวัฏอันไม่มีที่สิ้นสุดก็ถือว่าพักผ่อนชั่วคราวถามว่าหลังจากนั้นแล้ ว, ลวถามว่าระหว่างนี้เนี่ยถ้าจุติมาจากเนวสัญญานาสัญญา ย, ยตนะเอาอะไรรับรองว่าเกิดมาพบพระพุทธเจ้าเพราะว่าไม่ใช่วิสัยไม่ใช่ฐานะที่จะตรัสรู้โดยลำพังตัวเอง เ, เว้นไว้แต่ได้เป็นพระประเจกพระพุทธเจ้าหรือเป็นพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้ายังไง กาลเทวินดาบทก็ไม่ใช่ไม่ใช่พระโพธิสัตว์เพราะว่าพระโพธิสัตว์ท่านจะไม่เกิดในอรูปภพท่านจะไม่ไปเกิดในอรูปภพเพราะอายุยืนและทอธิมุติกาลกิริยายากานะั้นเพราะฉะนั้นท่านจะไม่ไปที่นั่นเพ ะ, ะนั้นก็เลยเสียใจร้รองไห้ภาังสารวัตรของเรานี่ยาวแน่เรียกว่าโอกาสที่จะพ้นทุกเนี่ยนะแม้ถ้าอายุยืนต่อไปอีกสักหน่อยหนึ่งนะ จากนั้นไปนะจากวันที่ร้องให้ไป36ปีเนี่ย35มสปีท่านก็ได้ดีแล้วแต่แหมอายุมันนี่มันบัดนี้มันก็ร้อยยีเข้าไปแล้วใช่ไหมมันก็คงรอไปถึงขนาดนั้นไม่ได้ท่านเสียใจมากนะเลยร้องให้ว่าเราจักไม่ได้เห็นอัจฉริยะบุรุษเช่นนี้เป็นพระพุทธเจ้าเรานี่เสื่อมจริงๆเลยนะเสียอกเสียใจมากเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็ตรัสนะในในชาดกพระ อ, องค์บอกว่า ถ้าหากว่าท่านพลาดจากโซดาปฏิมักโซดาปฏิพนเ ق, ที่เรียกว่าสัจธรรมนิยามการถูกต้องโดยชอบแห่งกุศลธรรมท่านนี่เสื่อมมากเสื่อมเหมือนอะไรเหมือนกับพ่อค้าพลาดโอกาสกำไรงามๆต่อหน้าต่อตาแสนหนึ่งอะไรปางนั้นว่าถ้าพ่อค้าโบราณก็คือแสนนึงแสนหนึ่งสมัยนี้ก็โอเป็นหลายสิบล้านเย น, นะเป็นสิบล้านก็คือโอกาสที่จะรับทรัพย์ไปต่อหน้าต่อตาแล้วพลาดอะ่ะ ถือว่ามันน่าเสียดายขนาดไหนหน่าเสียใจขนาดไหนแค่ทําเงินตกสักพันสองพันเป็นต้นนี่ก็ยังแหมไม่แฮปปี้เลยนะยิ้มไม่ออกเลยถามว่าถา้ามันพลาดโอกาสที่จะได้เงินเป็น10ล้านต่อหน้าต่อ ต, อ ต, อตาเลยเนี่ยมันน่าลําบากใจขนาดไหนแต่นี้ยิ่งกว่านั้นนะ ย, ยิ่งกว่าเรียกว่าเหมือนกับว่าเดินมาถึงเกือบจะได้เป็นจกักรพรรดิอยู่แล้วหรือยิ่งกว่าจากาักรพรรดิอยู่แล้วกลับไปขอทานต่อตามเดิมเนี่ยแหมคิดแล้วมันน่าเศร้าใจใจหายขนาดไหน มันทั้งก็เสียใจมากขนาดคนที่ได้ฌานเนวสัญญาณาสัญญายาตนะเขายังเสียใจเลยเสียใจว่าตัวเราเองเนี่ยจะพลาดจากโอกาสนี้ก็มาคิดถึงพวกเราทั้งหลายถ้าเราพลาดโอกาสจากคําสอนของพระพุทธเจ้าเราเนี่ยนะไม่ได้เศษเสี่ยวอะไรของเนวสัญญาณาสัญญายาตนะเลยเป็นประเภทพวกปริตตาเนี่ยนะถ้าเทียบกับอาราล ะ, ะกาลเทวินดาบทเนี่ยห่างกันไม่รู้กี่ร้อยชั้นเหมือนกันน่ยห่างกันจริงๆเลยนะ ทางเพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งลักษณะแบบพวกมหากุุสทั่วไปซึ่งบางพวกก็ทิติภาคยะบางพวกก็หานาภาคยะมันไม่ได้แปลว่าเจาริญยิ่งอะไรทสักเท่าไรเนี่ยนะแล้วกว่าจะพัฒนาคุณภาพไปสู่ระดับฌานระดับทุติยฌานตาติยฌานจตุทฌานระดับอรูปฌานเนี่ยนะโหไม่ใช่ของง่ายบอกอ้าวจะถือเอาดีทางมิปัสสนา บอกว่าเออฉันเนี่ยไม่สมาธิทั้งนั้นแหละฉันจะถือเอาดีทางวิปัสนาบอกวิปัสนาเป็นยังไงว่างั้นพอไหมที่จะพ้นทุกข์ว่างั้นเถอะวิธีการที่เราเจริญอยู่เราพิจารณาอยู่เราใคร่ครวญอยู่เนี่ยมันดีจริงหรือพราะนี้ต้องต้องหมั่นสอบสัมภาษณ์ตัวเองนะเออเนี่ยเห็นอะไรก็อันนี้จังไปหมดเลยไม่เที่ยงไปหมดเลยมันปิดอาบายได้ยังไงเนี่ยยังสงสัยว่างั้นเถะ อันนี้ไปที่จริงอ่ะ น, นะก็หน้าเป็นโจทย์ที่ไปคิดเออเห็นอะไรก็อ น, นิจจังทุกขังอนัตตาเห็นอะไรก็เนี่ยชาติชารามรณะนี้ทุกนี้ทุกขสมัมภูรไทยเป็นต้นเนี่ยช่วยให้เราบรรลุโสดาปติผลได้ยังไงมีได้ดีอย่างไรทําไมจึงช่วยให้เราพ้นทุกได้อันนี้ต้องเป็นโจทย์ถ้าเราตอบไม่ได้นะเชื่อเหอะทําได้ไม่นานก็จะเลิกทําถามว่าทำไมเพราะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันดียังไงเขาว่าดีก็แล้วกันนะว่ากันใครว่าดีก็นี่ไงคำภีท่านว่าดีก็เลยเอาตามมั่ง ก็ดีกว่าไม่ทำะนะก็ไม่ได้เทียงไม่ได้ปฏิเสธแต่ว่าถ้าเข้าใจไม่เพียงพอเชื่อไว้เลยหานะภาคยะหานะภาคยะแปลว่ารอวันเจ็ง <c oughs> รอวันเจ๊งวันคืนผ่านไปเนี่ยนะก็เจ็งไปตามอายุสังขารสติปัญญาก็ลดน้อยถอยลงไปถ้าอย่างนั้นก็ก็ถือว่าอันตรายมากการเจริญกุศลธรรมของเราเนี่ยต้องมันทบทวนมันพิจารณามันข ค, ครวนว่าถูกต้องแค่ไหนและเจริญขึ้นมากไหม ในโลกนี้สิ่งที่ดีที่ถูกต้องจะควรต่อการเพ่งยิ่งใคร่ครวนแล้วเขาเรียกว่าเหมือนทองแท้ก็ทนต่อการขัดเพราะงั้นถ้ายิ่งขัดยิ่งงามยิ่งเป่งปลั่งความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องยิ่งชําระยิ่งท่องใสเห็นไหมตัวที่ชําระปัญญาตัวชําระความเข้าใจนั้นคืออะไรคือสมาธิและศีลเป็นต้นเพราะนั้นเอาคุณธรรมทั้งหลายเนี่ยมาพิจารณามาใคร่ครวญมาทบทวน ให้ให้ละเอียดให้รอบคอบถ้ารอบคอบดีอยู่แล้วเราก็จะได้เจริญยิ่งๆขึ้นไปนะก็จะเป็นวิเศษภารยะแล้วก็น้อมไปเพื่อนิเทพทภารกิจเพราะฉะนั้นเราก็จะได้อบอุ่นใจจะได้มั่นใจว่าคุณธรรมที่เราเจริญนั้นช่วยเราทําถึงที่สุดให้แห่งทุกข์ได้จริงเนี่ยนะนะมันก็หมันโอกาสหมันใคร่ควรวนหมันทบทวนไม่อย่างนั้นก็น่าเสียดายน่าเห็นใจเนะีย ทีนี้ย้อนกลับมาที่กาลาเทวินดาบทร้องให้เนี่ยนะนะมนุษย์ทั้งหลายมองเห็นฤาษีผู้มีฤทธิ์ใหญ่ร้องให้เนี่ยแม้ถึงกันนะก็เลยถามว่าพระผู้เป็นเจ้าของเราเมื่อกี้ก็หัวเราะอยู่ดีๆแล้วก็กลับมาร้องให้อีกอันตรายอะไรอะไ ร, ะไรจกมีแก่พระลูกเจ้าของพวกเราหรือไม่ได้ห่วงฤาษีที่หัวเราะร้องให้เราแต่ห่วงว่าพระโพธิสัตว์จะเป็นยังไงนาะกันฤาษีกาลเทวินก็ตอบว่า อันตรายปัญหาอุปสรรคสิ่งที่น่ากลัวเหล่าใดไม่มีแก่พระลูกเจ้านั้นหรอกพระลูกเจ้าจะเป็นพระพุทธเจ้าอย่างไม่ต้องสงสัยอันนี้คือเหตุที่หัวเราะเหตุที่หัวเราะท่านไม่มีอันตรายสุขภาพดีเจริญเติบโตและเป็นพระพุทธเจ้าอย่างแน่นอนมนุษย์ทั้งหลายก็ถามต่อไปอีกว่าเอา้าถ้าหากว่าพระโพ ธ, ธิสัตว์ท่านได้ดีดได้ดีจนเป็นพระพุทธเจ้าในตอนท้ายร้องให้ทําไมทําไมจึงร้องให้ ดาบทก็ตอบว่าตัวเรานี่เศร้าใจถึงตัวเอง น, น, นะนะเกว่านึกสงสารตัวเองจนร้องให้เหมือ น, นนเลนะเออตัวเองน่าสงสารขนาดไหนเพราะอะไรเพราะจะไม่ได้เห็นอัจฉริยะบุรุษบุรุษผู้น่าอัศจรรย์เช่นนี้ที่เป็นพระพุทธเจ้าเรานี่เสื่อมใหญ่เนออย่างนี้ก็ร้องให้อ่า น, นะดาลเทวินเนี่ยนะคล้ายกับพวกเรา กาลเทวินเนี่ยท่านเหมือนพวกเราตอนที่ว่าท่านมาตอนก่อนของเรามาตอนหลังเนี่ยนะเรียกว่ามาก่อนฝนตกกับหลังฝนตก <c oughs> กาละเทวินเนี่ยมาตอนก่อนฝนตกเหมือนกนเถอของพวกเรานี่มาหลังฝนตกแต่ก็มาเพราฝนคือพระธรรตกก็เหลือแต่น้ำ น, นะใครไปเก็บไปรองเอาจากตรงไหนไปขอตักขอต่ออะไรที่ไหนก็ยั่งเลยแต่ว่าที่แน่ๆก็มาเรียกว่าก่อนฝนกับหลังฝนของพวกเรานี่มาพวกรุ่นปลายเรียกว่าอะไรนะ ไม่ใช่ปลายฝนอนฝะนตกแล้วนะก็เหลือน้ําขังรอแต่น้ําแห้งแค่นั้นนะ่ะถ้าตักใช้พอก็พอตักใช้ไว้ไม่พอก็แห้งต่อไปนั่นก็ของเรานี่ไม่ใครน้อยนะคนที่จะร้องให้นะแต่ก็มีนะวันที่ไปสังเวชนียสถานบอกไปเห็นที่ต้นโพนี่ก็น้ําตาชักซึมๆึมแล้วละ่ะถ้าอ่างนั้นไปที่พระพุทธเจ้าสแสดงธรรมจกักก็ซึมกว่านั้นอีกไปถึงที่ปริณิพานร้องให้เลย <c oughs> ก็ร้องให้เลย ไม่รู้ว่าสงสารตัวเองหรือว่าสงสารพระพุทธเจ้าก็ ง, งงบอกสงสารตัวเองที่เกิดมาไม่ทันงนั้นก็เลยร้องไห้เลยสะอื้นใจนะเชื่อไปสามครั้งไปแล้วก็เฉยเฉยหมดละนะอ้าวไม่เชื่อก็แบบอะไรนะคลาๆกับคนที่ยาติเสียใช่ไหมหมายว่าวันแรกร้องไห้จะเป็นจะตายนะวันต่อไปคิดถึงก็เฉยเฉยเหมืนกันก็อย่างนั้แหละธรรมดาละก็ เธคนที่เสียใจในเรื่องฐานะอันเป็นที่ตั้งแห่งความเสียใจได้เนี่ยนะก็ถือว่าเหมาะสมก็สมควรหมายความว่าแต่ว่าให้อาศัยโทมานต์อันนั้นเนี่ยที่เป็นกุศลโทมานต์ที่ดีละโทมานต์ที่เป็น อ, อากุศลแล้วก็อาศัยโสมนต์ในกุศลเนี่ยมละโทมานต์เหล่านั้นอีกครั้งหนึ่งก็ค่อยๆละไปตามลําดับก็เสียใจร้องให้เนี่ยนะเพราะว่าแม้ ถ้าอายุยืนอีกสักสากปีเนี่ยนะได้ได้ฟังทำแน่แต่ว่าไม่ถึงขนาดนั้นหรอกเนาะวันนั้นตอนนั้นอายุร้อยี่สไปแล้วเนี่ยนะถ้าจะอยู่ตอนอายุร้อยห้าสิกว่าจะได้ยินเสียงหรือเปล่าก็ไม่รู้มีหูก็ตึงที่สุดเลยนะตึงแบบชนิดว่าไม่เหมือนเสียงกลองนะกลองถ้ายิ่งตึงยิ่งตีดังเนีแต่หูเนี่ย โ, โหยิ่งตึงแย่เลยใส่เครื่องใส่ฟังเกาแล้วลว่างั้นอ น, นะ จบอกว่าอ้าวเครื่องช่วยหูฟังก็ไม่ได้หรือบอกไม่ได้อะไรก็ไม่ไหนไปลองไปทําทุกอย่างสรุปว่ามีตามองเห็นรูปแต่ไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรกันเห็นแต่เข า, านั่งอ้าปากเลยเฉยๆอ่างนั้นมิยมคนหนึ่งไปไปในงานฟังธรรมนี่แหละแล้วก็ไปพอไปถึงก็บอกว่าเออยมกลับก่อนนะเขาพูดเสียงดังเลยเอปกติเราก็แปลกใจทําไมคนนี้จะเหมือนกับว่ามาเอะอะวอยไวตลอดคือเขาก็พูดเสียงดังเนี่ยนะเขาก็เนอคนอื่นพูดเขาไม่ได้ยินเขาเห็นแต่คนอื่นนั่งอ้าปาก แต่เขาก็จะพูดเสียงดังมากนะเสร็จแล้วไอตอนที่เขาหลากลับเนี่ยเขาบอกชัดเจนเขาบอกโยมกลับก่อนแล้วนะพ่อโยมอยู่โยมก็ไม่ได้ยินอะไรหรอกเพรานะงั้นยังกลับก่อนแล้วเพราะงั้นเขายังชั่วหน่อยมีหนังสืออ่านนะนะเขาก็อ่านบทสรรเสริญพระรัตนะไตรยัยเขาก็อ่านทำมาจับอ่านอะไรไปอ่านจบก็กลับบ้านนะเพรานะงั้นถึงอยู่ก็ฟังไม่ออกเพรานะงั้นพอดีลูกมาตามก็เลยกลับพอดีเพราะงั้นอย่างนี้แหละขันห้าเนี่ยนะมันยาก นะครับถ้าโอกาสที่ตาจะดีหูจะดีสุขภาพจะดีพอที่จะเป็นภาชนะรองรับการรู้เห็นพระธรรมเนี่ยนะก็ถ้าไม่มีบุญระดับหนึ่งก็ยากถึงผู้ที่มีบุญเก่ามาดีแต่ถ้าตั้งจิตเอาไว้ผิดก็พลาดเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะพลาดจากการตรัสรู้ธรรมมีค่อนข้างสูงมากพราะฉะนั้นพระองค์จึงสอนในพระพุทธศาสนาว่าความไม่ประมาทนั่นแหละจึงเป็นทางแห่งความ ไม่ตายความไม่ประมาทนั่นแหละจึงจะเป็นทางแห่งการบรรลุมรรคผลเพราะฉะนั้นเราเราอยู่เรารู้ได้อย่างไงว่าเรานี้บัดนี้ดํารงอยู่ในฐานะแห่งผู้ไม่ประมาทเนี่ย น, นะรู้ได้อย่างไงว่าเราเนี่ยดำรงอยู่ในฐานะแห่งผู้ไม่ประมาทเขบอกว่าผู้ที่โคจรไปตามเส้นทางโคจรของพระอริยเจ้าทั้งหลายบุคคลเหล่านั้นนั่นแหละเชื่อว่าดํารงอยู่ด้วยความไม่ประมาท แล้วอะไรเป็นแดนโคโจรแห่งพระอริยเจ้าทั้งหลายพระอริยเจ้าทั้งหลายโคโจรไปในสติประธานสี่ภาพเพียรไปด้วยสัมมาประธานสเจริญอิทิบาทสอินท ร, รี่ห้าปละหเจริญโพชงเจ็ปฏิบัติตามมัชชิมาปฏิปทาคืออริยมรรคอันประกอบปด้วยองค์8ปดพันท่ากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมสำรวจตรวจสอบแล้วเป็นไปตามโพธิปัจจะธรรม37ประการนั้นเรียกว่าเป็นผู้ ไม่ประมาทบากบั่นในการเจริญกุศลธรรมให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปยิ่งเจริญขึ้นเท่าใดเพิ่มพูนเท่าใดก็เรียกว่าไม่ประมาทเท่านั้นผู้ที่ไม่ประมาทอย่างนี้นี่แหละจึงสามารถทำที่สุดแห่งวัตถุทุกได้แต่ถ้าหากว่าผ่านพ้นไปนี่ก็น่าสงสารนี่แหละร้องไห้แบบกาลเทวินดาบทเนี่ยนะแล้วก็วันที่พระพุทธเจ้าปรินิพานเนี่ยเทวดาเนี่ยมาร้องไห้กันเป็นหมื่นจักรวาล ว่าพระผู้เป็นดวงตาของโลกนี่อันตรธานไปเร็วนักวังนั้นนะก็เหมือนกับว่าดวงอาทิตย์นั่นนะคือถ้าเทียบกับว่าสมมติถ้ามองวันหนึ่งเนี่ย น, นะมองสมมติว่ามองกลับหนึ่งเท่ากับวันหนึ่งอ่ะทย่อหนึ่งอายุหนึ่งกลับมาเท่ากับวันหนึ่งอนะ่ะพระผูธเจ้าดำรงอยู่45ปีนี่เท่ากับอะไรพระพุทธเจ้าดำรงอยู่เท่ากับ45วินาทีเท่านั้นเองนะเหมือนกับความสว่างอยู่แค่45วินาทีอนะ่ะ ซึ่งถือว่าแหมมันสั้นมากอ่ะที่ที่แหมแทบจะลืมเลยว่ามีแสงสว่างพรางั้นช่วระยะ45วิวนาทีวางนัน้นถ้าเทียบในระดับอายุกับนะพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาดํารงชีวิตอยู่ก็เทียงเท่านั้นเองไม่กี่วินาทีนั้นอย่างชีวิตของเราเราทั้งหลายเนี่ยใครจะเชื่อว่าเราจะอยู่กันได้อีกนานนี่นะก่อนเขามาขนั่ ง, งเล็กๆเนี่ยนะแปลกเรามาเรียนธรรมะเนี่ย มานั่งพูดไปพูดไปไอ้คนที่มานั่งเรียนด้วยก็ทยอยจากกันไปปีละคนสองคนปีละคนสองคนนะ่ยนะจริงนะเป็นอย่างนั้นมาทุกหลายปีแ ล, ะละ้วล่ะเห็นมาค่อยๆจากไปปีละคนจากเป็นมั่งจากตายมั่งอ่ะนะไอ้คนที่อยู่ก็ทยอยไปไปส่งคนที่ก็ไปก่อนกันนะ่ยนะก็อย่างนี้จริงๆเพราะฉะนั้น<ม>เอาอะไรเนาะเป็นเครื่องวัดมาตรฐานบอกอ้าก็ท่านยังอายุน้อยเอ้พวกหลานๆเกิดมาทีหลังก็ตายเป็นต้หลายคนแล้วเนี่ย ชักไม่ค่อยแน่ใจและถ้าไม่แน่ใจเนี่ยทำยังไงดีก็ความไม่ประมาทนั่นแหละจึงประเสริฐที่สุดรันทํายังไงให้สติสัมปชัญญะให้ความรู้สึกนึกคิดของเราโคโจรไปตามคำสอนของพระพุทธเจ้าทำยังไงให้ใจของเราอยู่กับคาสอนของพระพุทธเจ้าให้บ่อยที่สุดให้มากที่สุดให้ต่อเนื่องที่สุดเพราะจิตเราใดที่โคโจรไปในคาสอนของ พระพุทธเจ้าจิตเหล่านั้นเนี่ยนะเบาอ่อนควรแก่การงานนิวรณ์ไม่กลุ้มร่มไม่ถูกครอบงำด้วยอภิชาและโทมนัตเนี่ยนะไม่ถูกครุ้มร่มด้วยบาปและอกุโสลธรรมทั้งหลายพันทางเดินที่ถูกต้องเป็นทางเดินที่ตรงที่สุดถูกต้องที่สุดไม่ผิดพลาดแน่นอนก็คือเดินตามคําสอนของพระพุทธเจ้าสําหรับผู้ที่มีวิแววว่าจะตรัสรู้เดินตามอย่างเดียวนเ่านั้นเดินตามอย่างเดียว ก็ถือว่าเส้นลัดเส้นตรงตรงต่อการตรัสรู้ตรงต่อการทำที่สุดแห่งทุกที่สุดก็คือคำสอนของพระองค์นั่นแหละพระองค์จะไม่ไม่พยายามทำให้สาวกลาบากจะไม่พยายามทำให้สาวกเหน็ดเหนื่อยเปล่าพระองค์จะไม่ทำอย่างนั้นเด็ดขาดย้อนกลับมาเนี่ยนะถึงพระโพธิสัตว์ที่ดวงตาของโลกในเริ่มเกิดขึ้นหลังจากประสูติมาได้ห้าวัน นนะหลังจากห้าวันพระประยุรญาตก็ให้ทําให้สงสนานพระเสียงพระโพธิสัตว์ในวันที่5ถือว่าเป็นวันที่เป็นมงคลนะคลอดมาแล้ว5้าวันเป็นวันที่ต้องอาบน้ําสระศีสระอะไรเป็นต้นเสร็จแล้วก็ปรึกษาว่าจักเฉลิมพระนามเฉลิมก็คือเรียกว่าเรียกชื่อนะขนาดชื่อตั้งชื่อก็เลยฉากทาพระราชนิเวศด้วยของหอมสีชนิดปโปรยดอกไม้มีข้าวตอกครบหให้หงข้าวมาทุบปลายาตไม่ผสมน้ํา ใช้น้ำนมในหงอย่างเดียวนิมนพรามร้อยแปดผู้จบไตรเพศให้นั่งในราชนิเวศเพราะสมัยนั้นเนี่ยไม่มีพระพิสุงสง์อะไรก็มีแต่ศาสนาพรามเนี่ยนะหรือฮินดูให้บริโภคข้าวมัทุปายาธ ร, รมสักการะแล้วให้ตรวจทำนายลักษณะว่จาจะเป็นอย่างไรดูซิตั้งกับศีษะจรดเท้าเนี่ยตั้งกระเช้าจอดศีษะทั้งหน้าภาบทั้งชีหน้าทั้งเวตาทั้งกิริยาท่าตาง กรอบหน้าจมูกคางฟันหูท้ายทอยหรือว่าศีรษะตรงหน้าผากเนี่ยนะแล้วก็ต้นคอบ่าซ้ายบ่าขวาแขนซ้ายแขนขวาฝ่ามือฝ่าเท้านิ้วมืออ่ะนะข้างหน้าข้างหลังเนี่ยนะไล่ไปเรื่อยๆความยาวของมือของเท้าของเข่าแล้วว่าเอามาตรวจให้ละเอียดเลยนะอาจารย์เหมือนกันแล้วว่าพวกอาจารย์พวกอะไรนะพวกหมอดูร้อคนนะแล้วก็แตกฉานในคัมพีมหาบุริศลักษณะ ตัว น, นี้ต้องแตกฉานทรงจําคำพิมพ์หาด้วยลักษณะว่าว่ามหาบุรุษเนี่ยมีลักษณะอย่างไรคาถายาวมากเลยนะเป็นเวทมนต์เป็นมนชิน้นหนึ่งเขาผูกไว้เป็นฉันทะลักเนี่ยนะความยาวเนี่ยเป็นเป็นสองพคาถานั่นแหละอย่างน้อย 2,000 ันคาถามันต้องคนที่จะท่องได้เนี่ยเก่งมากนะมันท่องได้แล้วก็มาสํารวจตรวจตราดูเช็คทั้งหมด